ดังๆอาไม่ไม่ว่าดังๆเฮ้ยนยไม่ไม่มสวสดว่าดังๆหรอฮึ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 ขอ้อเท้าเนี่ยตั้งแต่หัวเขามาถึงขอ้อเท้าเนี <le> ่ยเป็นต <ix Belgian> enfin, well. so ุ้มๆตุมๆตุ้มๆตุ่มๆตุ้มๆมเหมือนเม็ดสิวอ่ะที่ยิบเลยรูปลูบจนรูปจนแข็งหมดลูปเช็ดจนแข็งหมดเมื่อคืนนู่นหลังเที่ยงคืนนะถึงได้ถึงได้พักผ่อนสบาย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 ก็รู้ลาว่าเป็นเพศที่เห็นโทษเห็นภัยภิกษุภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยภิกษุผู้เห็นภัยเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยเห็นภัยเ่านี้แหละเห็นภัยเกิดแก่เจ็บตายเพราะในวัฏสงสารมันมีไดเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีอย่างอื่น วัด ต, ตสงสารคือเวียนไหวาาตายเกิดต่เรียกว่าวัด ต, ตสงสารวัด ต, ตสงสารตตากับวัดตวันนี่มันกเดียวกันนั่นแหละวัดตวนวัดตวันวั ต, ต, วว ต, ต, วว ต, ตภาษาบาลีวนเป็นภาษาไทยเป็นคำไทยๆวัด ต, ตะวัน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 ใช้พลังความอดความทนความภาคความเพียรดันขึ้นพยุงขึ้นประคองขึ้นยกขึ้นยกขึ้นสู่อารมณ์ธรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุโนี่เป็นธรรมกรรมกิริยาที่เราทํนนท่าเรียกกรรมกรรมคือการกระทำกิริยาที่ทํนัะนาเรียกกรรมแต่พวกเรามัก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 แสนมหากลัปแสนมหากัปแสนมหากลัปไอ้คำว่ากรัปนี่กลัปที่เราพูดหมายถึงกัปการเกิดขึ้นของโลกการเสื่อมลงของโลกน ห, นหนึ่งรอบคือกรัปหนึ่งแต่ น, นานกว่าอายุของคนอายุของโลกกับอายุของคนมันต่างกันนานขนาดไหนไม่รู้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 มันมากาะด้วยอำนาจของความาพัฒนาความรุ่มหลงของตัวเองจิตพัฒนาความรุ่มหลงของตัวเองพัฒนาอย่างไงช <c oughs> อย่างเกิดมามีรูปประทับมีนานมธรรมตาไปเห็นรูปเนยเห็นรูปดีมันก็เป็นวิสัยของมันรูปดีมันก็ยินดีรูปไม่ดีมันก็ยินร้าย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 ไม่ชอบยินร้ายเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่แตกต่างกันอหละทาใหา้เกิดข้อเทียบเคียงกันว่าเอ อ, อ น, นี่ดีชอบอันนี้ไม่ดีไม่ชอบนี่คือทาให้เกิดเกณฑ์คุณสมบัติว่าจิตสุขแักทุกชอบเป็นความสุขไม่ชอบเป็นความทุกข์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 โอ้ยยินมีวิธีแก้แก้ยกแกยิ่งนี้แกนี้แกนี้ อ, างาง Secondly, อ, อืมมันยินดีเอามันยินร้ายถ้าปล่อยมันยินดีแสดงเป็ น, ปนไปตามนิสัยเดิมของมันถ้าปล่อ ย, ม, ม, ย, ย ม, มันยินร้ายเอาเป็นไปตามนิสัยเดิมของมันหยุดหยุดไม่ให้มันยินดีหยุดไม่ให้มันยินร้ายหยุดได้เพราะมีสิ่งที่มีคุณสมบัติติดแนบมากับจิตของเราดี คือสติธรรมคือปัญญาธรรมสามารถขัดเกลาวอบรมด้วยธรรมะข้ออื่นวิริยะขันติความอดความทนวิริยะความมุ่งมั่นอุตสาพยายามเพียรบำเพ็ญตะปัดตบะธรรมตบะธรรมประทานธรรมประทานธรรมทั้งวรประทานประทาน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 โว้เสียใจร้องให้โหขึ้นมาทันทีเห็นไหมริดเด็ดของมันมันไม่ใช่ธรรมดาเรารา่าเริงจิตปลืม้มปีติยินดีสรพัดมีคนทำให้ขัดใจ ป, ปึงปังข้าได้สดสดร้อนๆตอนต่อนากันในเห็นไหมนี่ผลของความขัดใจมันไม่ใช่แค่นับหนึ 2, นะ่งนับสองะมันร้อยเท่าพันทวีการให้ผลของกรรมก็เช่นเดียวกันร้อยเท่าพันทวี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 อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นเรืปฏิบัติข้างในถ้าเราโมโม่มแต่มาติดก่อนอยู่แต่ข้างนอกเราไม่ได้อย่างถึงข้างในเราดูข้างในแล้วก็ย้อนกลับมาข้างนอกดูข้างนอกแล้วก็ย้อนเข้าไปข้างในเหมือนอย่างที่พูดนั่นแหละอัดฉัดตังวาบะหิต ท, ทาวาเนี่ยภายในบ้างภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกอัจฉตะบหิต ท, ทาวาเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกสมุทัยธรรมา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 เอารถไปใส่เอาใส่เอาแต่ละปีมีคนช่วยเยอะเท่าไหร่เกียรตินะสิสิบปอรัสิบสิบอนั่นแหละคนไปช่วยกี่คน่่ในวัดนนตากอบเขานี่เลนี่เล่นั่งอยู่นี่นี่แม่นบอนี่เอไป่วยกันเล่ไปช่วยลุงตานึกถึงลุงตาเป็น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 โอ้มันไม่ใช่ทําไมมันใกล้สว่างอันนี้มันยังไม่สว่างนียหละออแล้วพวกเราก็นั่งคอยอเต็มอยูอย่นั่นแหละตาองานิ้นวันที่สามสิบตีสามลงไปแล้วเที่ยงคืนลงไปแล้วเป็นวันที่สามสิบแล้วมาทายเขาเปลือกผลทั้งนี้ก็คือ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 ตาท่านไม่เคยเห็นตาเขาเปล่าเสรเจแล้วหมู่เขาต้องเอาอะไรไมาลู้มาล้างตาใหยโกเวรโรค ก, กรรมอะไรของเพืนน่นเก่า อ, อยู่นั่นแหละเช็อยู่นั่นมันขึ้นเป็นตุ่มเหมือนจิวนะเต็มเลยเนีย่หัวเขาลงมาหาข้อเท้าเราก็ไปลูบหมดผ้าไปหลายชิ้นอยู่ ลูบลูบลูบจนไอ้ตุมต่มๆนะักแข็งแล้วก็ทั่วหมดเลยนะข้างหลังเอ้ยอะไรเอ้ยนี่ยพระกขาต้องเอามือมายื่นมาถูแล้วก็น่าจะคันด้วยนะระหวานนะ่างน่ะยังก็เอาแปลงมาขูดให้พ้นขูดๆๆๆ ข, ข, ข, ข, ขูแล้วก็แด้วถ้ามันเยอะมาถูกตาแสบร้อน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 เราบังคับได้แค่ให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้ดื้อไม่พูดให้คิดให้อะไรแค่นั้นเองบังคับไม่ให้แข่ไม่ห้เจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ได้เอาตามความอยากของตัณหาในหัวใจไม่ได้เมื่อยังเงียง้ยเราบังคับดับดับับับจงดับจงดับมันมันไม่ใช่เหตุปัจจัยของมันมันดับไม่ได้ไปกดสวิตซ์ปั๊บนี่เหตุปัจจัยของมัน นี่เรอุปมาว่าสภาวะธรรมข้างในรูปธรรมไปอย่างหนึ่งนามธรรมคือจิตใจอารมณ์ภายในจิตใจไปอีกอย่างหนึ่งศึกษาและดูเข้าไปดีจะทําให้เราเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆอ้าลิอโอเค <c oughs> อยากจะไปเยี่ยมบ้านไปกลับกลับพาอาจารย์บ้าน ไปตอนไหนบอกลูกบอกวา่าทางเมวกัตอะไรให้มามารับเขาจะมารับผมนีอืมตอนตไกลๆดุมาลับจากวัดไปเลยกระผแล้วไปอยู่ยังไงไปฉันยังไงิฏิบัติยังไงที่วัดไป่ที่วัดกระผมอ๋อไปอยู่ที่วัดละวัดปลาไหนวัดปาลาลว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 มไม่ชี้ไม่ได้ไปไม่ไไปช่วยดูครอครัวหนึ่งครังบุ่นวายอยู่ น, นูอยู่นี่แต่ยังไปเสียงดังกันแล้วกันเสียงดังไม่ดีเสียงดังเขาว่าเราจะเคาะไห้ไหมเสียงดัง <laughs> ไม่ใครชอบดอกดูเราด้วดูใจเราไม่ชอบไหมไม่ชอบของอ่อนนี่สิ่งที่แข็งกระด้งมันไม่ชอบ